คงเครื่องนี้ดีกับเครื่องนี้นะโมทัสสะปะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะปะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะะคะวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอโมทนากับพวกเรานะตั้งใจในการศึกษาพระธรรมกั ตอนนี้เป็นตอนบ่ายโมงนะก็ศึกษาในเรื่องของอิธิบาทต่อยังไม่จบเหลือสองข้อแลอจิตติติปาโทอิธิบาทคือจิตแล้วก็มิมังสิติปาโทอิธิบาทคือปัญญาเนาะในเรื่องของฉันท้าแล้วก็วิริยานั้นก็พอพอจะเข้าใจแล้วโดยเฉพาะวิริยานั้นที่เป็นอิธิบาทหรือฉันท้าที่เป็นอิธิบาทนั้นก็ต้องเป็น ถ้าชันทาเป็นอิทธิบาทก็เป็นความพอใจที่เกิดขึ้นถึงความต้องการให้สมบูรณ์ต้องการให้สําเร็จเขาเรียกว่าฉันท่ายอย่างแรงกล้าเขาเรียกเป็นฉันทิี่บาทฉันท่าที่อย่างแรงกล้าก็เพราะว่าเกิดขึ้นในสันด า, านภายในของตนและภายนอกฉันท่าที่สา ม, มารถตายได้ถ้าไม่สําเร็จสมดาความประสงค์ก็บอกว่าถ้าไม่ได้อิทธิ หมายความว่าถ้าไม่ได้ชานาพิญญามาผลก็ไม่สามารถอยู่ได้ถ้าไม่ตายก็ก็เขาเะบอกถ้าไม่ได้ก็บอกตายซะดีกว่าอะไรนะนะจำนวนตรงนั้นเลยส่วนควําว่าเวริยะที่บาดก็คือว่าอีทีบาดคือเวรยิยะก็หมายความว่าไม่ทอ้อเหน็ดเหนื่อยปรานใด ทั้งกลางวันและกลางคืนจิตก็ไม่ท้อถอยเมื่อได้รับความเหน็ดเหนื่อยอยู่จิตก็ไม่ท้อถอยไม่ได้ยินว่าจะต้องปฏิบัติตลอดหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีจิตก็ไม่ถอยไม่ขี้ขาดฉะนั้นผู้ที่มีวิริยะธาตุน้อยมากเนี่ยถ้าได้เจอก็บกิจที่จะต้องใช้วิริยะมากก็หดถูกแต่สำนวนก็บอกไม่กล้าไม่กล้าพอเจอความบอกว่าจะต้องเพียนกระดาษนั้นขนาดนี้ก็ท้อที่ อามาใช่ครับว่าสมัยก่อนเนี่ยอามาก็ไม่ใช่เป็นคนมีวิริยะธาตุมากอะไรนะแต่มาถูกฝึกมาแบบนั้นคำว่าถูกฝึกเนี่ยหมายความว่าดินน้ําไฟลมที่มันอยู่รอบกายเนี่ยมันฝึกให้ต้องเป็นคนแบบนั้นคือจะต้องอยู่ต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่สิ่งแวดล้อมคือคนอื่นนะสิ่งแวดล้อมคือในครอบครัวคือจะต้องจะต้องเพียนสมัยก่อนก็มีทั้งวัวและไวน์ แต่ก่อนแต่ก่อนยังไม่มีหรอกก็มีอยู่สองตัวสองตัวมันเรียกว่เป็นควายแสนรู้ไอควายแสนรู้เนี่ยมาเคยบอกอะไรครั้งเคยเล่าเล่าไอคนบางอยู่สองสามกันคือเตอเดิน ม, มากก็เล่าเล่ากันคุยแบบธรรมดาก็เป็นเรื่องแปลกเวลาเวลาใช้บรรทุกทำไมก่อนเขาใช้เวียนใช่ไหมยืนในบ้านนอกเลยใช้เวียนก็เวลาบรรบรรทุกเขาเนี่ยแทเวียนเขาเขาให้ลากเวียนบรรทุกเวลาลากไม้ หรว่รรลักษ์ของสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาจะเขาแสบรู้จนถึงขนาดว่าเวลาไปบรรทุก เ, เสร็จแล้วเราไม่ต้องมากับเขาเลปล่อยคล้ายๆว่าถ้าสมมติทักที่บ้านเนี่ยมีคนอยู่แล้วก็บอกเดี๋ยวเขาเดินกลับบ้านกันเองสองตัวถ้าเป็นทางธรรมดานะแต่ถ้าเป็นทางที่ยากมากๆนี่ไม่ไหวเหมือนกันเราต้องไปกับเขาเลยก็ขึ้นขึ้นไปบนนั้นนะขึ้นไปนั่งบางทีต้องใช้ขอนไม้ขนาดใหญ่ ขึ้นบนเกวียนเนี่ยคือวิธีการในการที่จะขอนไม้ขึ้นก็ต้องเพียนต้องเพียนอย่างมากถ้า ง, งั้นก็ไม่สามารถเอาไม้ใหญ่ๆขึ้นไปบนเกวียนได้ใช่ไหมจ๊ะมันก็จะต้องใช้ทั้งพวกเหล็กต้องใช้ทุกโซ่เมื่อใช้โซ่แล้วก็ใช้บกเบล็กลเครื่องแฉลงในการที่จะงัดขึ้นเทเล น, นิดเทเล น, นิดใช่ไหมเอาเวลาไม้ขึ้นน่ะไม้ขนาดาาาใหญ่เลยนะขนาดเสาเสาใหญ่เลยอ่ะแบบประเภทที่สิบคนก็แบ่งไม่ไหวอ่ะ เขาว่าแต่สามารถเอาขึ้นได้ในพายสองคนหรืออะไรเงี้ยนะวิธีการเอาขึ้นก็คือค่อยๆหนุนขึ้นหนุนขึ้นหนุนขึ้นไปเสร็จก็ใช้กวียนด้านหลังมนะันจะใช้โซ่มัดแล้วก็ดันขึ้นมาแล้วก็ใช้เหล็กแฉลงเนี่ยค่อยๆงัดมันยังงัดได้ทีละแค่เนี้ยไม่ถึงครึ่มปึ๊กเข้าไปก็ดนันปึ๊กเข้าไปก็ดันเงี้ยบางทีอะตั้งแต่กว่าจะเอาไม้ขึ้นล้อถึงคุ้นกวียนได้เนี่ย จาประมาณาตอนเชา้ามื่อคนเนี่ยนะโก็นเนี่ยเกจะเที่ยงนกืจะเสร็จค่อยๆขยับทีละนิดละนิดก็เพียนอย่างนั้น <c oughs> ก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราต้องเพียนก็เพีย น, เ พ, ยนเพียนพอขึ้นไปได้ก็แต่นี้โอโ้โหชนิดที่เราจะเวลาขนาดขนาดเดินกับดินธรรมดานี่ดินยกไหมะขยันเนี่รากดินในดินยบเลยโอโ้โหเขาก็ เขาเวรควายตัวใหญ่มากใช่ไมทั้งโคตัวก็ใหญ่มากก็ไปแล้วก็ไปกับเขาแต่ว่ามันจะต้องมีไอ้มีหลมแล้วมันนทางขึ้นเนินอย่างเงี้ยใช่ไหมมันวิ่งลงคลองอย่างเงี้ยแล้วขึ้นแล้วตรงนั้นมันก็เป็นเครนเป็นโครนเต็มไปหมดมันขึ้นไปเนะี่ยความความสูงของเวียนเนี่ยของดุมล้อเนี่ยมันสูงขนาดนะ่ะมันสูงกว่ารถนี่ควียนไอ้ดุม คิดดูมันวิ่งเข้าไปในมิดดมมันลึกลงไปงั้นนะเอาเราจะต้องเอาขึ้นให้ได้เวลาไปเบสเส็จเนี่ยแล้วก็เป็นเบสเส็จปุ๊บเนี่ยเราต้องจอดเขาเลยเนะี่ยแบบให้เขาพักบัร์คอไปถึงนั้นนะพักให้เขากินหญ้ากินเลยเไปเส็จแล้วเรานอนนวหวังเขาเลยว่างั้นนอนเนี่ยตั้งความหวังไว้ที่เขาสองตัวเข้าใจยังไหม ก็เอาน้ําบังให้เขาได้ได้หายเหนื่อยอันนั้นแปลว่าเราไม่ค่อยรีบเท่าไหร่แต่ถ้ารีบก็ลุยตรงเดี๋ยวนั้นเลยนะแต่ละเที่ยวบางเที่ยวเนี่ยถ้ารีบก็ลุยเดี๋ยวนั้นเลยเวลานั้นเสเร็จเราเหมือนเราบอกเขาแบบตบไหล่ตบคอตบหัวครับเหมือนบอกเขาบอกว่าบอกเขาไม้ได้นะบอกสู้นะอย่างเงี้ยเขาเนี่ยมันตาปีบปีบเหมือนเขารู้ภาษาเรานะคือคือเราต้องสามารถใช้เขาเนี่ยจนสามารถเรารู้ใจเขา เ้าก like like nope ็รู้เราเราก็รู้เขาเข้าใจใช่ไหมเขากับเราเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันนดะนั่นอะเป็นเงินโหเวลาเวลาเขาวิ่งลงนะแล้วก็วิ่งขึ้นไปเนี่ยนะเขาดันบางทีแทบไม่ได้เลยนะดันถ้าหากเขาเกิดเขาบิดแอวกออกไปเมื่อไหร่นะแปลว่าไม่ได้แล้วแล้วเราจะเสียหายมากเลยถ้าเกิดไม้ไปจมอยู่กับคลองอย่างนั้นนะคือบางทีนะเราต้องตีเขาเลยนะ เขาจะไม่สู้เนะยตีหลังก็ติน้ำลายก็เนี่โฟงปากไอย้ยังไงคจะดันได้เลยแล้วทีนี้พอวิ่งลงไปฟืดปุ๊บพกขึ้นมาตรงเนี้ยไอ้ไม้ด้านหลังมันยาวอยู่นะแตลว่ามันก็ติดมันก็ติดพื้นทีนี้มันก็กดกดคอเขาอ่ะเขาต้องคุกเข่าดันเนอะเราก็ต้องลงจากไอ้กวนน่ะช่วยคนดันโอ้โหสถานการมาก พอจะขึ้นได้เป็นเกือบบางทีเป็นเกือบชั่ออวโมงเลยพอขึ้นมานี่เขาหอบทั้งน้ำลายไตยหมดล่ะเขาเหนื่อยมากนะนั่นแหละคือคุกเข่าดันเราก็ยอมกันแล้วยังในน้องอย่างนั้นะนะให่มันมันเคยแบบนั้นมาเราถึงรู้ไงว่าโอ้เพียนจริงๆมันเพียนอย่างนั้นมันเพียนแบบนั้นละ่ะ คือแต่ก่อนแล้วก็ไม่เคยได้อ่านนี่ทำมาบดใช่ไหมว่าเวลาพระท่านเดินจงกรมเวลาท่านเดินไม่ไหวท่านโคกเข่าเดินเน่ยเดินยังไงแล้วมันนึกหู้ก็เห็นควายที่มันคุกเข่าดันเนี่ยเยอเพราะมันมันลุกไม่ไหวจริงเพราะว่าอีกข้างท้ายกดมันนะกดพื้นมันก็ถ้ายกนั้นก็ยกทั้งล้อมันยกไม่ไหวเราคอก็จะหักมันคุกเข่าดีในตรงปากมันกระแทกร้องมันล้องอุกเลยนะโอ้โหผ่านแต่มันก็สู้ พอขึ้นไปมันเหมือนว่ามันมันก็ได้ใจเราใช่ไหว่าโอ้โหมันมันช่วยเราสุดๆเนะนี่ยในในมามาอยู่บ้านปลายชีวิตแนตะ่มันตายเนะี่ยร้องไห้อะ่ะพอมันตายเนะี่ยร้องไห้ตอนนั้นมันทำงานไม่ได้หลายปีนะก็ปล่อยมันเป็นควายแต่รู้ทั้งโคดเนี่ยคือคือคือถ้าเรามองอย่างนี้คือคือความเพียรแล้วก็มานองดโอ้โห ยงคงไม่เคยแบบนี้ชีวิตนะใช่ไหมจันก็ค mm hmm. งไม่เคยเห็นด้วยซ้ำไปบางทีนี่แดดแดงๆเนี่ไปเถอะสิบเอ็ดโมงสิบสองโมงบ่ายหนึ่งบ่ายสองตาแดดแดงๆนะหอบร้อนสารพัดให้กินน้ําก็ไม่ได้ช่วงนี้จันก็จะขาดเราก็ร้อนมันก็ร้อนก็ไปด้วยกันงั้นนะนั่นแหละนิยมคงไม่เคยไม่เคยเจอชีวิตอย่างนี้เข้าใจใช่ไหม ไม่เคยหรอกที่บอกว่านั่นไงนี่ก็ไม่เคยใช่ไหมที่บอกว่าเหนื่อยเนื่อยที่ชอบไปคนหลายหลายคนก็เล่าว่าไอ้มามาบวชเนี่ยไอ้มาอาี๊ยังไม่เคยเห็นใครเพียนแบบ น, นั้นเลยเอ่ะไอ้ทำไมการงานในทางโลกเราเพียนมากกว่าทางธรรมไอ้อามาก็สงสัยตัวเองไงสมัยก่อนีย นี่ทำไมมันมันมันไม่ใช่อ่ะมาเันนึกตลอดมันต้องเพียนมากกว่านี้มาคงมันต้องเพียนมากกว่านี้ใช่ไหมมันไม่ใช่อย่างที่คิดหรอมานึกแล้วก็ขนาดทางโลกอมายังเพียนกันสมัยก่อนเรายังเพียนมากขนานั้นนี่มันเพียนหยาดหยาดหยาดนี่ไม่ใช่อะมานึกแค่นี้แต่พอมาศึกษาคําสอนโอ้ใช่เลยก็เพียนจริงจริงเขาเพียนริงจริงในในศาสนาเนี่ อย่างพระหมายวุลุที่เพี้ยนขนาดนะั้นใช่ไหมเนื้อเลือดใช่ไหมเนื้อและเลือดจงเหือดแห้งหายไปเถอ ะ, จะเจรือแต่หนังเอ็นกระดูกเล็กกระตามก็ตามทีถ้าไม่ได้ฌานไม่ได้อภญนาไม่ได้มรรคผลแล้วจะไม่หยุดเงี้ยอันนี้ครับเพี้ยนจริงๆริงใช่ไหมก็เหมือนกับบงคนที่ว่าเพี้ยนทำงานเหมือนกับที่ว่าธรรมาก็เมื่อวานีังบอกกับพระบอกว่าบางทีมีจอบใบเดียวเนี่ยจะ ต, ต้องขุดพื้นที่อย่างเอาแล้วก็ไปนั่งกคำนวณ โอโหเนี่ยพื้นที่เนี่ยขนาดหนึ่งไร่เนี่ยหรือขนาดงานนึงเนี่ยนะแปลว่าต้องขุดทั้งหมดเลยสมัยก่อนมีรถที่ไหนใช่ไหมในป่าใช่ไหมมันไม่ใช้รถที่ต้องไปขุดอะไรเนี่ยก็ต้องใช้ใช้จอบอ่ะแล้วก็มีจอบเป็ความหวังคือจอบแล้วก็ความหวังอีกอย่างก็คือแรงของเราก็ขุดไปสิปึกขุดปึกเนี้ยเขยายา้าใจไ้มก็ขุดแล้วก็เวียงขุดแล้วก็เวียงจอบที่ยังประจิตาจระเข้ายาวๆซึ่ง ขุดจนเหี้ยนเน่ยอต้องขุดกี่วันนะจอบนั้นต้งให่เฮี้ยนเนี่ยขุดจนเหี้ยนเน่ยอาต้องขุดกี่วันไม่ใช่ไม่ถึงเลยไม่ถึงนะประเภทที่แ้าคือสองเดือนสามเดือนก็เฮี้ยนเลยเกือบหมดแล้วขุดจนขุดแล้วคือจอบต้องรักษาจอบแล้วต้องขุดเป็น โอ้โหมันขนาดนั้นเลยมันต้องขุดเป็นเนี่ยนะถึงถึงบอกไงบอกว่าตรงนี้ยอมก็ไม่เคยเห็นใช่ไห ม, ไม เ, เอางี้นะว่าถ้ายอมลองมีจอบเล็กๆ ล, ลองไปขุดดินนิดหน่อยยอมจะรู้ว่าเหนื่อยไหมเอาฟันตะปึกปึกแค่นนะั้นไม่เท่าไรหร่หเอาเดี๋ยวนี้ก็ได้ลองมีจอบมีเสียมอ่ะมันบอกกว่าจะได้อะไรมาแต่ละชิ้นแต่ละอันเพี้ ย, ยนบางที มือนี่จับดูนี่ด้านเป็นมืออะไรเลยนั่นเพิ่งบอกไงว่ า, วามันมันชีวิตมันเคยเพียนอย่างนั้นมันจึงไม่จึงจึงเข้าใจอะแล้วเวลามาเจอในคําสอนของพระเจ้าเนี่ยเข้าใจเลยไม่ต้องไม่ต้องโอปามาเลยถ้าโอปามาแบบดมล้อเนี่ยนกะลียนล้อเนี่ยนะออปามาเหมือนแอกเนี่ยโอปมาเหมือนไถเข้าใจดีว่าทำไมาใช้่ไหมเข้าใจดี ไม่ต้องไปอุบ ม, มาซ้ำสองเลยวะแม่เนีไม่ต้องพูดจ้าเลยพูดปุ๊บเข้าใจทันทีอ๋อเป็นยังไงแล้วรู้เด้วยว่าชีวิตเป็นยังไงหรืออย่างกรณีที่บอกว่ามีพระเถระมีท่านผู้หนึ่งที่ว่าต่อมาที่ว่าไอ้ที่ว่าสึกออกไปเนี่ยสึกออกไปแล้วกรณีที่ว่าตัวกระดําแบกฐานแล้วพระพิกุลสามเณรกันหัวลอกกันเออนี่ยอมพ่อท่านมาแล้วนี่ยอมพี่ท่านมาแล้วพราะยอมได้ยินก็เลยทิ้งกระสอบฐาน พอสิ้นการสิ้นการสอบทานไปใสิ่งก็มาก็บอกปนมมือบอกญญว่าคุณย่าตอนสมัยยมบวชเนี่ยยมไม่ขนองปากขนองมือขนองเท้าเหมือนท่านครับเนี่ยมือที่กล้าดํของข้าพเจ้าเนี่ยเคยลูปคําดงจันทรดทิศมาแล้ว <c oughs> ใช่ไหมเคยอ่าจเจอใช่ไหมนั่นแหละฟังพบอะไรก็เข้าใจเลยเห็นไมนนหมโทนความบังมาจในส่วนจริงเนี่ยตัวเองก็ก็ต้องศึกไปแล้วก็ปเป็นเลี้ยงผู้หญิง ตงไปเลี้ยงผู้หญิงพระโทษนการไม่สำรวมระวังนี่แหละว่างั้นน่ขนาดสำรวมกว่าท่านนะยอมยังเป็นแบบนี้ท น, นตรงนี้ก็คือตั้งมาพิจารณาอย่างนี้ก็คือกรณีของวิรยิยะก็คือจิตไม่ตกจิตไม่ท้อถอย บางคนเนี่ยถ้าบอกต้องห่างเพื่อนบงต้องห่างพ่อห่างแม่ห่างลูกจิตก็ตกถ้าได้ยินว่าจะต้องนอนน้อยจิตก็ตกถ้าได้ยินว่าจะต้องกินน้อยจิตก็ตกถ้าได้ยินว่าจะต้องมาหน้าสการตลอดวันจิตก็ตกนี่นะถ้าได้ยินว่าเจ้าจะต้องปฏิบัติอย่างยาวนานจิตก็ตกเขาก็เลยอุกมามกเหมือนกับหมาป่าที้กาตาขาวอยู่แต่ในพงป่าเล็กๆไม่ยอม ย่อไม่กล้าเข้าไปใกล้พงหรือดงยาคาที่สูงเพียงสอกกว่ า, วาที่อยู่ภายนอกเพราะคิดว่าอาจจะมีเสือดาวอาจจะมีเสือเหลืองอาจจะมีช้างก็กลัวนอนกลัวอยู่นี่นแหละเหมือนเราท่านทั้งหลายเราไม่กล้าจไม่กล้าที่จะออกจากบ้านไม่กล้าจะตั้งใจฟังทำไม่กล้าจะอะไรต่างๆเราไปก็เป็นกิจกรรมเล่นๆไปวันๆเนี่ยถ้าสนุกสนานไปถ้าเอาจริงเอาจังมานาฬิการตลอดวันใข้ควรโอ้ยไม่เอาแนละ้เรื่องอะไรจะต้องทําขนาดนั้นอะไรต่างๆเหล่าเนี่ย ถ้าเป็นเรื่องพักผ่อนหนาวใช่ไหมถ้าเป็นเรื่องจริงจงจังๆ จ, จะต้องมนาสิกานจะต้องไม่หลับนะจะต้องใคร่ควรตามพระธรรมคําสอนของพระบรมศ า, าศาสดาไปอย่างต่อเนื่องนะไม่เอาใจกิจตรงหมดแต่ลักหนังนี้เขาเรียกคนไม่มีวิริยะธาตุไม่มีอรพธาธาตุไม่มีไม่มีนิกรรมธาตุไม่มีปารกรรมะไม่มีโอกาสได้บัลลุมองเห็นยัง ยี่เป็นอย่างนี้นี่ปริมาณของความเพียรเนี่ยมันจะมันมันมั น, ม, นมันต้องใช้ความเพียรกันทุกท่านถ้าเราบอกว่าเอ๊ะภาษาที่บทฟังนิดหน่อยไมเห็นต้องใช้ความเพียรเลยต้องดูว่าอดีตท่านเพียร น, น้อยเท่าไหร่แล้วกรณีตอนที่ท่านเพียรหาครูบาอาจารย์ท่านานอเบียนเท่าที่เล่า เล่านั้นเป็นผลนิดหน่อยที่เกิดขึ้นจากที่ท่านเพียรมาอย่างยาวนานแล้วต้องเข้าใจตรงนีน้สรุปแล้วบา ร, รมีที่เหมาะสมแกตการที่ได้อาคิรสาวกโพธิญาณ น, นั้นท่านท่านชัดเจนเนะอวิมังจิตตาทิปฏีนะคือการตั้งมั่นอย่างมั่นคงในอิทธิ์นั้นตั้งแต่ได้พบเจอพระศาสนาคำสอนของพระบรมศาสดาจนกระทั่งได้ฟังธรรมก็หมายถึงว่ายึด หมายความว่าตั้งมั่นแห่งจิตตั้งมั่นไว้อย่างแรงกล้าเมื่อได้รับความสุขนะได้รับลาบสกาล่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่มีจิตมีความสนใจในสิ่งนั้นเลยแม้แต่น้อยมุ่งมั่นแต่ในการที่จะมุ่งหาอีกที่เท่านั้นก็แปลว่าไม่ได้ติดใจในลาบยศสุขสารเสริญเลยน่ถ้าจิตติดที่บาศิ่งเป็นยังจะเอาลาบยศสุขสารเสริญมาล่อ ก็ไม่อพราะไปเจอสมมติไปเจอพระธรรมของพุทธเจ้าแล้วเนะี่ยสมมติอย่างเงี้ยเราท่านทั้งหลายเจอไว้ธรรมของพุทธเจ้าแล้วใช่ไหมเรื่องอื่นเอามาล่อไม่หยุดแล้วจะเอาความสุขขนาดไหนมาล่อก็ไม่ไม่ฉาบติดเลยเอาสารเสริญขนาดไหนมาล่อเอาลาบสกาลามามาล่ออายศมาล่อก็ไม่หยุดเลยจิตกลับไม่ติดข้องกันในสิ่งนั้นเลยเหมือนน้ําในใบบัวเลยไม่น้อมที่จะติดเลยเพรา ง, งั้นเจอ น, น้อมที่จะไป เข้าหาพระธรรมของพระประมัสสะสดาย่างมุ่งมันเคยเป็นแบบนี้มัม้งถ้าเป็นไปในลักษณะอย่างนี้จะแล้วอิทิบาทคือจิตในมุม่งจิตมุ่งแล้ว<อ>ดึงดึงไม่อยู่แล้วเพราะเภียที่ว่าถ้าเป็นคนก็แปลว่ามุดึงไม่อยู่แล้ ว, ว, นนล ว, ว, ลวต่อให้ใครดึงก็ดึงจะทีนี้ในฝ่ายตรงกันข้าวก็เหมือนกันจะเสื่อมลาบเสื่อมยศจะได้รับความทุกข์จะถูกนินทางไงก็ไม่อยู่แล้วจะมุ่งมันไปหาพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเท่านั้น เคยไหมแบบนี้คือตรงนี้มันเป็นไปลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกมุ่งมันเหมือนว่าทั้งโลกนี่นะบางคนได้ถูกต่อว่าต่อขานขนาดหนักเลยเนะื้อธรรมากินนะแต่เขาต่อสู้ ถ, ถูกด้วยถูกด้วยเขาก็ต่อสู้ใช่ไหมบางคนขนาดนั้นเลยใช่ไหม เขาก็ตอ่อเสื้อไปเขาไม่ได้เอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นมามาเป็นเครื่องกังวลเลยแต่เขาเอาความสําเร็จในการงาน่ะเป็นเป็นเป็นจุดมุ่งหมายแต่อย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราเจออะไรกระทบนิดหน่อยเราไปกันเป็นแถวเป็นแน่วหมดแล้วนี่ก็เรื่องไม่มีอิทธิบาทกับจิตไม่มีความมุ่งมั่นอันนั้นก็ไปดูพิจารณาดูเนาะอันนั้นแต่ละบุคคลอาจจะมีมากกว่าจะมาเนาะเพราะเรื่องเหล่าเนี้ยมันมันเป็นมันมันไม่เท่ากันหรอกแต่ว่า อมาเป็นผู้อา ธ, าธิบายอ่านคองคําว่าอิทธิบาทให้ดูว่าจิตอิทธิบาทเป็นแบบนี้มันมุ่งมั่นอย่างนั้นคือมุ่งมั่นแบบประเภทที่สิ่งอื่นลั่งไม่ได้ถ้าได้เจอพระศาสนาแล้วเนี่ยเจอสิกขาสามของพุทธเจ้าแล้วเจอคําสอนของพุทธเจ้าแล้วมันก็มุ่งตรงเลยนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนั้นเนาะ ถ้าตัวอย่างก็ถ้าเอาเอ า, เอาตัวฉันท่านะ่ะเปรียบเทียบได้ฉันท่าของของพระรัตบาลละอย่างนั้นเนะี่ยมันจะมุ่งอย่างนั้นเนี่ยนะอย่างพระรัตบาลละเปน็นนอนอยู่นอกชานะนั่นแหละแล้วก็ใช่ใช่ในกรณีศิก ต่างๆเหลเ่านี้ยท่านท่านเป็นคนมุ่งมั่นกันทั้งนั้นนั้นก็ดูว่าแต่แต่ก็ต้องดูว่าบางท่านก็เป็นฉันทะแรงบางท่านก็วิรยิยะบางท่านก็จิตตาเนาะอันนั้นก็ต้องดูว่าเออตรงไหนที่จะเป็นอธิบดีของท่านเพราะเราต้องดูตรงนั้นด้วยแปลว่าให้สังเกตดูที่ว่าจนแม่บอกว่าที่อยากนอนประชดก็ น, นอนไปเที่ะในยุคปัจจุบันมีไหมที่บอกว่าจะไปไปหาพระพุทธเจ้าแม่ก็บอกอย่าไปเลยอะ่ะ พอเรายัางรวยเราล่ารวยเรามีทรัพย์สมบัติเรามีเงินมีทองต่างๆเราเนี้ยนะเราสามารถจะเพื่อพิสปฏิบัติทําความดีในเพศคาวาสก็ได้ท่านก็ไม่ใส่ใจอะไรท่านก็บอกไม่เป็นไรแม่ไม่ให้ไปก็ไม่เป็นไรแต่ก็จะนอนอยู่ตรงนี้แหละก็เลยออกไปนอนข้างนอกอย่างเราจะได้กี่ชั่วโมงอ่าอย่างเราจะได้กี่ชั่วโมงเอาเอานึกถึงใจเราเนี่ยนะใช่ไหมอันนี้นอนเฉยแลย้ววันหนึ่งผ่านไปสองวันผ่านไปนีนป่นเรื่องปกติเป็นเรื่องผิดปกติแล้วนะ ถ้าใจมุ่งมั่นอย่างเงี้ยอันนี้โอ้โหแปลว่าไม่กลับมาแล้วมันออกจากแหล่งไปแล้วมันไม่จอจรย้อนกลับหลังแล้วถ้าความมุ่งมั่นเข้าไปในศ า, าสนาในคําสอนพุทเจ้าเนี่ยไม่จอรย้อนกลับหลังแล้วใช่ไหมใช่เลยนะครับเราไม่ถึงหรอกอันนี้เขเรียกว่าเอาด้ชีวิตั้นอรงเนี่ย้ทีนี้ถ้าเราดูตรงเนี้ยจะถ้าบอกว่า มีจิตมุ่งไปในอิทธิเท่านั้นในการที่จะในการที่จะจะจะกระทําไปเขากา็ะยยยกตัวอย่างบอกว่าในทางโลกเนี่ยนะผู้ที่มีความสนใจอย่างมั่นคงเมื่อขณะทํางานอยู่ในจิตย่อมไม่มีจิตไม่สนใจในกิจการอื่นเลยมุ่งไปในกิจการงานทั้งโลกเท่านั้นในยบทสี่นะยืนเดินนั่ง น, น, น, นอนไป็นต้นอย่างเหล่านี้ คนที่ทำงานอย่างที่ย ม, มเลื่อเราัปมาก็นึกถึงสูตรที่ดันดีเลยรู้ปะบอกโอ้โหไม่รู้เลยที่ว่าจะต้องเลี้ยงลูกอะ่ะลืมตัวเลยเนี่ยไปเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไปเพลินจนแก่เมื่อไหรไม่รู้ตัวเลยเนี่ยอันนี้หนักกวนะ่านั้นไม่รู้เวลากินเลยบางทีบางคนก็ขนาดนั้น เ, นเอ๊ะทำทำทำทำไปเลยลืมเวลากินเลยลืมเลยทําอยู่นั่นแหละมุ่งมุ่งมุงมุงม่ ง, งใจมันมุง่งจะให้สําเร็จให้งานนั้นสําเร็จ จิตมันจิตตาที่ปฏีมันแรงมุ่งอย่างเดียวแลวหละทำทๆทำทำแอ้เหลือวีิทีเอาปาเกือบทั้งคืนเลยแล้วเคยเป็นไหมล่ะทำใหญ่เลยมุ่งมุ่งมุมีมีอยู่ไลน์นึงเนะี้ยอยู่ข้างๆบ้านนั้นมาเดี่ยนี้ท่านตายยังไม่รู้โอ้โหโทุกคนนั้นนี่สายหัวเลยอะ่เะเมื่อพ่อปวดหัวนี่โยนจอบโยนเสียมให้นี่ไงยาแก้ปวด คือให้ออกไปทำงานเนี่ยทำจนหายหายป่วยเวลาทำงานเนี่ยทุกคนก็โอ้ยใจท่านมุ่งเลยนะมุ่งงานเนี่ยไม่ได้มุ่งว่าตัวเองหิวไม่หิวแล้คนโบราณบางคนอีกเขาตั้งมันอย่างนั้นยิงเนอะเราก็นั่งคอยดูนาฬิกาเอาหัวายแล้วอันนี้แปดโมงกว่าเวลาจะกินข้าวแล้วเนเขาไม่สนใจหรอกเาสนใจตรงนี้ให้เสร็จ เอางานเสร็จเป็นเกณฑ์ไม่ใช่เอาเวลาเป็นเกณฑ์อาอเลยเคยทางานแบบนี้เอางานเสร็จเป็นเกณฑ์ไม่ได้เอาเวลาเป็นเกณฑ์อย่างเราทุกวันนี้ทำงานนะตามเวลาใช่ไหมพอตามเวลาเสร็จเสร็จไปเอาเอาความมุ่งมั่นเอาความนั้นไปอยู่กับเวลานี่ไม่ใช่อันนี้เขาเอาเสร็จเป็นเกณฑ์บางคนนึกบอกว่าไม่กินเงี้ยไม่ได้ไม่กินเ ง, งี้ย <Hands> <up> โหนะใช่ไ <F> ห <ly> ใจก็อย่างนั้นนะเขาเอาความความสำเร็จเป็นเกณฑ์แต่ไม่ใช่เอาเวลาเป็นเกณฑ์ crystals. ถ้าเวลาเป็นเกณฑ์มันแน่นอนแต่เมือไหร่ถึงเวลานั้นมันอาจจะไม่เสร็จก็ได้เงี้ยนฉะนั้นถึงบอกว่ามุง่งวิธีคิดก็คือว่าทําอะไรมุ่งเอาความเสร็จนั้นเป็นเกณฑ์ไม่ได้เอาเวลาจริงอันนี้เหมือนกันะมุ่งการบรรลุเป็นเกณฑ์ไม่ได้มุ่งว่าเขาถึงบอกว่าเขาจะต้องบรรลุให้ได้ที่เขาคิาดเนี่ยก็ต้องบรรลุให้ได้เงียใช่ไหมเหมือนเราบอกว่า เมือเราทํางานเนี่ยเราคิดว่าเราจะต้องตั้งตัวได้เขาไม่สนใจว่าก็จะต้องไขว่คว้านห้อใช้เวลาเท่าไหร่ยี่สิบสามสปีก็ทนหลอได้เค้ยก็ทนหลอได้อย่างนี้เป็นต้นก็เหมือนพระโพธิสัตว์ใช่ไหมท่านมุ่งมั่นไหมเนาะท่านมุ่งมั่นแหรงมากท่านท่านเอาความบรรลุโพธิญาณเนนะเป็นเกณฑ์อย่างเนี้ย ตรงนี้ก็คือว่าไม่รู้เวลากินไม่รู้เวลานอนถึงเวลานอนก็ไม่รู้ตัวเองวันนอนถึงเวลากินก็ไม่รู้เวลากินเดินไปที่ต่างๆก็ไม่มีสติว่าตัวเองไปใ น, นที่ไหนจิตยึดเอาอย่างมั่นคงอันเป็นอย่างนี้เป็นรักอะไงเงี้ยยึดเอาความสําเร็จอันนี้เขาเปรียบเทียบเนี่ยไม่ใช่อยู่อย่างเพ้อเลยอย่างนั้นนะจะเปรียบเทียบว่าเอาความสําเร็จเป็นเกณฑ์มุ่งมั่นไปที่ความสําเร็จ น, นั่นคือจิตสิธิบาท ป, ประการต่อมาคือวิมังสิทธิบาทคือตัวปัญญานี่นะ ก็คือปัญญาสามารถเห็นอย่างดีเห็นอะไรเราเคยเห็นอบบายทุกเห็นสังสาระทุกปัญญาที่เห็นอนิสงของอิทธิปัญญาที่แทงตลอดได้อย่างกว้างขวางในสภาวะธรรมอย่างลึกซึ้งถามว่าอย่างเราเนี่ยเห็นอย่างดีไหมในนรกในเปรตในอสุรกายในสัตว์เดรัจฉานเห็นอย่างดีไหมเห็นอย่างลึกซึ้งไหมเห็นแบบเข้าใจเลยไหมนี่ไหมนี่เขาเรียกปัญญาไม่ได้ทํากิจ ถ้าปัญญาทำรรกิจเนี่ยมันจะเห็นอาบัยาภัยอย่างดีเห็นสังสารทุกข์อย่างดีและเจาะ อ, อย่างเข้าใจเลยนะเข้าไปพิจารณาแบบพอไปพิจารณาถึงทุกข์เนี่ยมันก็มันก็นกลาวในใจได้เลยะสะเทือนในใจได้ด้วยอย่างเราไปเห็นหนอนในสุวมเราก็เฉยเฉยไม่เคยสะดุ้งสะเทือนใช่ไหมมันไม่เคยสะดุ้งสะเทือน บางทีโ อ, อเหมือนเหมือนเหมือนที่อาดมาไปที่พัทยาที่จะไปเข้าของน้ำอ่ะมันจะมีห้องน้ําของของคนแขกขคนไทยเราก็ไม่รู้อยู่เมืไปเข้าของคนแขกโอ้โหพอไปเข้าไปเนี่ยเต็ไมไปหมดเลเนีนะหนาเป็นครึบเลยแล้วนะโอ้โหเราไปดูภาพนี่มันไป ดูแล้วมันมันมันมันมันอดพิจารณาไม่อดพิจารณาไม่ได้ทั้นเวลาเราไปพิจารณาถึงอบายภัยทั้งหลายทุกในการที่ไปเป็นสัตว์นรกทุกในการที่เป็นสัตว์เดรัจฉานทุกในการเกิดเป็นเปรตทุกในการเกิดเป็นอสุรกายทุกในสังสารวัตรอย่างยาวนานที่เราเคยเป็นยันตหมาพมยันตระวะขะพมยันต์เนวสัญญานาสัญญายะตนะพม แล้วก็ท่องเที่ยวลงมาจนเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วในที่สุดจริงต้องมาศึกษาพระธรรมบางพบบางชาติแล้วแ ต, ต่ฉานพระธรรมคําสอนบางทีเราบรรทุศรลายพระธรรมคําสอนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอพิจารณาแล้วมันเห็นเนี่ยพอปัญญาดีเนี่ยคนที่มีปัญญาดีเขาเข้าใจฉั้นคนมีปัญญาเนี่ยที่เข้าใจเข้าใจในเรื่องเหล่านี้เขาไม่ต้องไปเป็นในขณะนั้น เพรเข า, เาสาัยอดีตที่เคยเป็นและอนาคตที่เขาเจะต้องไปเป็นเนี่ยมันสะดุ้งสะเทือนมันหวาดหวั่นเลยครับลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นเห็นชัดก็เลยเห็นอบัยภัยนะชัดทีนี้ถ้าหากว่าตรงนี้ไม่ชัดขลเวมังสาธิปฏีเนี่ยไม่ไม่แรงทีนี้ผู้ที่สมบูรณ์ด้วยปัญญาย่อมไม่แสวงหารถแห่งความสุขทางโลกียะทั้งหมด ท่านท้าปัญญาตรงนี้ก็ดีนะเขาไม่แสวงหารถแห่งโลภยสุขทั้งหมดเลยเอาสิจะรถของโลภยสุขขนาดนะฮรูปเสียงกินรถสัมผัสต่างๆเหล่านี้นะที่เป็นไปในโลภยสุขทั้งหมดนะ่ะเขาปฏิเสธเลยเพราะอะไรเขาพิจารณ า, าค่ควรไม่รู้กี่ล้านรอบแล้วเขาไม่เห็นสาระของสิ่งเหล่านั้นแต่เขาเห็นสาระในการที่เขาจะบรรลุมันเคยเป็นอย่างนี้ไหมล่ะแต่ว่าเขาเอามาวิจัยอ่ะไม่ใช่ว่าเขาเพียงแต่ว่าคิดแบบเพลินๆ น, น, นะ เขามาวิจัยฉะนั้นการวิจัยการพิจารณาการค่าควรต่างๆเหล่าเนี้ยเขาสามารถที่จะพิจารณาค่าควรแบบรุนแรงได้แล้วก็พิจารณาอย่างลึกซึ้งได้พิจารณาอย่างกว้างขวางนะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยอัตถานในการที่เขาน้องมานํามาพิจารณานั้นเขาก็พิจารณาแล้วแล้วเราเราเอาใหม่ๆไม่เห็นไม่เกิดใช่ไหม จากการที่เขาใช้ปัญญาในการใคร่อควรพิจารณาแล้วแล้วเราเล่าวิจัยแล้ววิจัยเราคือความทุกเนี่ยนะความทุกที่มันทับถมในใจของเขาเนี่ยเขาเห็นเลยและในสังสารวัตรที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อปัญญาเขาเกิดมันเป็นไปกระสมมนัทเป็นไปเก้าเบขา นนบุคคลเหล่านี้เขาสามารถว่าความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นทั้งใจของเขาที่เป็นไบกะโทสะเป็นไบกระราคาเป็นไบกะทิถีทั้งหลายเนี่ยนะที่มันเป็นตัวกระตุ้นทําให้เขาเกิดความเครียดความกังวลทั้งหลายเนี่ยเขาน้อมละได้เลยสิ่งต่างๆนี้อย่างเช่นกาบฉันท่าพยาบาททีนะ้ำมิทราอุทธจักกุกกุจานิวิจิขิจานิเขาสลัดทิ้งได้ง่ายมากใจของเขาจึงเบาในการที่จะเลน่นไปในการวิจัยการพิจารณาสิ่งต่างๆได้ชัดเขาไม่อึดอัดเลยอะว่า ง, งั้นเดอะ แต่ว่ามันมันผิดกับอย่างเราใช่ไหมถ้ารู้ว่าสิ่งนี้ผิดสิ่งนี้ถูกเนี่ยบางทีเรายังติดใจสิ่งที่ผิดอยู่อไอท้ทิทีอะมันน้อมว่าวพระชนะกขพูดไปว่างั้นเนี่ยแต่ไม่ใช่เขาไม่ได้เอาตรงนั้นเลยเขา อ, าอัดอาที่เขาไปเข้าใจตรงนั้น เ, นเขาเข้าใจว่าเออสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะบรมศาสดาตร ส, าาสอย่างนี้อย่างเงี้ยเขาเรียกวิมังสาที่ประดีนะเขาแรงย่อมที่ว่าวิมังสาคือปัญญานั้นคือสา ม, มารถเห็นอย่างดีซึ่งอบไยทุก์สังสารทุก์ ปัญญาที่สามารถเห็นอ น, นิสงของบรรลุอิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งเขาเห็นอ น, นิสงของการที่จะไปได้พิจารณานะพิจารณาเกี่ยวในเรื่องของการที่จะทําให้เขาได้บรรลุอ่ะความสําเร็จยิ่งในการที่จะรู้รูปนามขันหเวรูปนามขันหที่ควรรู้ยิ่งว่าเป็นเป็นสิทธิข้อหนึ่งเขาเห็นเห็นเห็นอ น, นิสงตรงนั้นถามว่าถ้าเขาไปรู้รูปนามขันห้าตามความเป็นจริงหรือเขาเขาไปกําหนดรอบรู้ใช่ไหมทุกสัตย์ สำเร็จในการแยกแยะถ้าเขาบอกว่าอภิญญาสิทธิคือการสำเร ja رب, oh, ็จแห่งการแยกแยะพิจารณารูปเวทนาทัญนยาสังขารมีญญาณก็รู้ลักษณะเป็นต้นเหล่านี้ได้ชัดเจนเนาะเขามีความเฉลียวฉลาดในปรมัตตธรรมสคือในจิตเจตสิกรูปนิพพานที่ยังไม่เคยรู้ในพระศาสนาโดยสภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างจนชำนาญจนเชี่ยวชาญฉลาดโดยเฉพาะในคัมภีอวิธรรมมัสังขะอันนั้นเป็นอภิญญาสิทธิข้อแรกเนี่ยพอเขาเข้าใจอย่างนี้จิตเขาก็ปัญญาเขาก็เบิกใครครวญตรงนั้นแล้วเขาไปเรียน แล้วก็มุ่งมั่นในการที่จะทําความเข้าใจให้เกิดขึ้นอย่างชัดแจ้งแล้วเขาไม่ได้ไใส่ใจอย่างอื่นเลยนะไปเบสเสร็จเขาก็ลังว่างวิจัยเขาศึกษาจริงเนี่ยเขารู้เลยใช่ไหมว่าสิ่งต่างๆนี้เขาศึกษาชีวิตจริงเขาทําไมเขาเข้าใจได้เร็วรู้ไหมคนที่เขาศึกษาคําสอนต่างๆเนี่ยเขาศึกษาชีวิตเขา